บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการเจริญวิปัสนาคือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายแจ้งตามความเป็นจริงในเรื่องเหล่านั้นคือความเป็นจริงในเรื่องเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็ให้ประจักษ์ชัดตามความเป็นจริง เพื่อ่ายถอนวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับสองข้อคือมองเห็นที่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนและข้อที่สนั้นคือการมองเห็นสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคำว่าเป็นทุกข์ ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นท่านได้ใช้คำอยู่สองคำคือทุกขตาที่แปลว่าความเป็นทุกข์ซึ่งหมายถึงสภาวะแห่งธรรมะซึ่งจะไปปรากฏในที่ใดก็ตามก็แสดงภาวะของตัวออกมาเช่นความเป็นสีดำสีขาวปรากฏในที่ใดก็ทาให้สถานที่นั้นมีสีดำสีขาวตามไปด้วย ลักษณะที่เป็นทุกขตาจึงทั่วไปแก่สิ่งทั้งหลายในโลกนี้แต่อีความหมายหนึ่งนั้นท่านใช้คำว่าทุกขังเฉยโดยมากแล้วจะเน้นไปที่สิ่งซึ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างที่ทรงแสดงไว้ในหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการข้อแรกแต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อนำมาพินิจพิจารณาตามหลักของรรใจยหลัก ย่อมจะกินเนื้อหาทั้งสองฝ่ายคือทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ท่านกล่าวสรุปไว้โดยคำว่านามรูปการกำหนดปินิพพิจนาให้เห็นสิ่งทั้งหลายว่าเป็นทุกข์หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องดูตัวลักษณะที่ท่านกำหนดว่าเป็นทุกข์กตาซึ่งโดยที่ตัวทั่วไปแล้วจะแสดงไว้สี่ลักษณะด้วยกัน คือประการแรกสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นได้เองโดยลำพังของมันท่านจึงสรุปสิ่งเหล่านี้ไว้ในคำว่าสังขารแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรุงแต่งข้อนี้บุคคลก็อาจจะใช้เป็นหลักกำหนดปินิพจนาตัวนามรูป ซึ่งอาจจะเอาไปพิจารณาในข้อที่สวดกันว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชลาความแก่เป็นทุกข์อนัความตายเป็นทุกข์ก็ได้หมายความว่าให้ยกตัวชาติความเกิดขึ้นมาพิจารณาในแง่ของเหตุของปัจจัยว่าความเป็นชาติคือความเกิดการเกิดพร้อมการได้อายตนะความปรากฏแห่งขันของสัตว์เหล่านั้นในมูสัตว์เหล่านั้น แตยละแต่ละชีวิตนั้นประกอบด้วยเหตุปัจจัยต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรมเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นมีการเกาะคุ้มกันยังถูกสัสดส่วนความเป็นคนเป็นสัตว์ก็ปรากฏเกิดขึ้นแม้ความแก่ก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันอาศาัยเหตุปัจจัยต่างๆที่มาประกอบสร้างความเปลี่ยนแปลง เช่นในแง่ของสันติคือการเกิดสืบเนื่องกันยันที่กล่าวไว้ในข้ออนิจจังนั้นสันติบางอย่างเกิดเสริมเข้ามาไม่เต็มที่เช่นตัวอย่างได้รแรงร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงกันไปที่จริงก็มีการเกิดสืบเนื่องกันมาโดยํำดับแต่เมื่อปัจจัยองค์ประกอบของความเป็นชีวิตร่างกายต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปมาก สิ่งที่เกิดหนุนเนื่องเข้ามาก็ไม่เต็มที่ดังนั้นแรงกายของบุคคลในวัยต่างๆจึงไม่เหมือนกันและแม้แต่ในระวันแต่ละเวลาก็ได้เชี่ยวเห็นถึงว่าไอ้ตัวปัจจัยที่เป็นตัวแปรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นมีแตกต่างกันออกไปบางครั้งแรงกายแรงใจเข้มแข็งดีบางครั้งก็อ่อนเพียนเพลียแรงลงไปเป็นต้นนี่เป็นการเชี่ยวเห็นถึงปัจจัยที่เข้ามาประกอบ เป็นตัวเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นๆแล้วก็แสดงออกมาในรูปของความแก่แม้ความตายก็ให้พิจารณาโดยเนยยะเช่นเดียวกันตามปกติแล้วที่ทรงสอนให้พิจารณาก็คือเรื่องของความทุกข์ที่เป็นหลักๆเหล่านี้ส่วนความโศก ค, ความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจที่สุดกัน โดยทั่วๆไปแล้วมักจะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยหลักคืออุปาทานได้แก่การที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นด้วยอํานาจของกามุปาทานว่าเป็นของเราบ้างด้วยอํานาจของทิฏฐปาทานว่าเป็นอย่างนั้ น, อ ย, นอย่างนี้บ้างด้วยอํานาจของอัตวาทุปาทานว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้น หรือด้วยอำนาจของสีลับพัตตุปาทานความเชื่อถือความฝังใจความปักใจของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความเชื่อถือความปักใจก็มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจเป็นต้นเกิดขึ้นติดตามมาอยางที่ทรงแสดงสรุปไปในบททึงสวดกันว่าสังคิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานนักขันธาทุกขา เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ท่าง้านั้นเป็นความทุกข์แต่และข้อบุคคลอาจจะพิจารณาในแง่ของเหตุปัจจัยดังที่ได้กล่าวแล้วซึ่งการพิจารณาในชั้นนี้ตามปกติแล้วต้องอาศัยปัญญาเกิดขึ้นมองเห็นนามรูปชัดเจนกว่าปกติจึงจะพิจารณาในแง่ของเหตุปัจจัยได้ ประการต่อไปนั้นคือรักษาสภาพเดิมของสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่ได้ซึ่งความการรักษาสภาพเดิมไว้ไม่ได้นั้นก็มีลักษณะเดียวกับความเปลี่ยนแปลงที่เคยกล่าวไปแล้วในนิจจาในนิจตตาไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วจะรักษาสภาพเดิมไว้ได้จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไปอย่างยกตัวอย่างความแก่ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตนั้น แต้ที่จริงคนเราพอเริ่มปฏิสนธิมันก็เริ่มแก่แล้วแก่กันมาทุกวันทุกเวลาแต่ความแก่นั้นท่านแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกท่านเรีย ก, กว่าแก่ปิดคือปฏิจจานะชระเป็นความแก่ที่ทุกคนต้องการปรารถนาแล้วก็ไม่ยอมเรียกว่าความแก่แต่เรียกว่าเจริญวัยเมื่อบุคคลนำคําว่าเจริญวัยมาพิจารณาก็จะแปลที่แปลกออกไปแปลว่าเจริญ คือความเสื่อมที่ออกมาในรูปของความเจริญคนก็หลงเพลิดเพลินยินดีดีอกดีใจที่ได้ไวัยใหม่ได้อายุใหม่เมื่อช่วงหนึ่งนั้นความแก่ปรากฏขึ้นซึ่งเราเรียกว่าแก่เปิดหรืออัปติสาณ์นชราคือไม่สามารถจะปกปิดความแก่งหงอของอินทรีย์ในส่วนต่างๆไว้ได้อาการเหล่านั้นก็ปรากฏเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นคือการแสดงให้เห็นถึงความจริงว่า ไม่มีอะไรที่รักษาสภาพเดิมไว้ได้จะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อาศัยตัวสัน ต, ติคือการเกิดสืบเนื่องกันอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นตัวปิดบังเอาไว้และที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือตัวกาละได้แกิการเวลาทาให้ช่วงความแก่ซึ่งปรากฏเกิดขึ้นนั้นคนมีความรู้สึก ว่าไม่ค่อยจะแก่อะไรเทร่าไหรอาศัยการปรับใจของตัวเองได้ยอมรับกันในฐานะนั้นๆในโอกาสานั้นๆหรือในกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งในแง่ของการพิจารณานั้นบุคคลอาจจะดูถึงความการรักษาสภาพเดิมของสิ่งต่างๆไว้ไม่ได้อย่างที่ทรงสอนให้ทรงสอนแบบอุปมาโดยเอาขันทั้งห้านั้น มาเปรียบเทียบให้ดูในจุดกาละที่สั้นๆแทนที่จะไปดูในจุดกาละที่ยาวๆจะ ใ, ในพิจารณารูปเหมือนกับฟองน้ําซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาตัวเวทนาซึ่งเป็นนามขันให้เหมือนกับต่อมน้ําเล็กๆที่เกิดขึ้นช่วขณะหนึ่งแล้วก็รักษาสภาพเดิมไม่นิดหน่อยแล้วก็ดับไปพิจารณาสัญญาเหมือนกับพยับแดด พิจารณาสังขารเหมือนกับกอกล้วยพิจารณาวิญญาตเหมือนกับภาพมายาหรือการเล่นมายากล ต, ต่างๆการพิจารณาในลักษณะนี้ในชั้นหนึ่งนั้นก็เป็นการยอมรับความจริงของขันทั้งห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาอีกชั้นหนึ่งมองในรูปของความเบียดเบียน ที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่นามและแกร่รูปซึ่งจะเห็นได้ว่าอาการของความทุกข์ที่ปรากฏออกมาในรูปของความไม่สบายกายไม่สบายใจจนคนเพียงพยายามที่จะสแสวงหาความสุขกันด้วยประกาศต่างๆซึ่งธอตั้งปัญหาย้อนถามลงไปว่าทำไมคนจึงสแสวงหาความสุขกันก็ตอบได้ว่าเพราะเขาประสบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน ไม้ปรารถนาที่จะอยู่ในสภาพเช่นนั้นจึงมีการแสวงหามีการค้นควา้าหนทางแห่งความสุขการตั้งแต่ไหนแต่ไรมาลักษณะของความทุกข์ที่ออกมาในรูปของการเปลี่ยนเปลี่ยนนั้นปรากฏขึ้นทั้งที่กายและที่จิตใจที่เห็นได้ชัดก็คือตัวของเวทนาได้แก่ความสวยอัตรมที่ปรากฏออกมาในรูปของทุกขเวทนาปรากฏขึ้นทางกายบ้างทางจิตใจบ้าง แต่ว่าที่จริงแล้วกายไม่ใช่เป็นตัวรู้ตัวเวทนาเหล่านั้นจิตเป็นตัวเสย เ, เป็นตัวรู้เวทนาเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นบุคคลอาจจะยกขึ้นมาพินิจพิจารณาแล้วมองให้เห็นถึงความทุกข์ที่ปรากฏเพราะเวทนาและมองให้เห็นเหตุปัจจัยที่ให้เกิดทุกเวทนาเหล่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก็ยังแยกไม่ออกจากอุปาทานคือการที่จิตเข้าไปยึดถือในเรื่องเหล่านั้นถ้าหากว่ามีการปล่อยมีการวางมีการบันเทาไปบ้างความทุกข์ต่อนั้นแม้จะเกิดขึ้นและอยู่ในสภาพเดิมก็จะบันเทาบาบางลงไปเพราะจิตใจของคนไม่ได้นําเข้าไปบวกกับเวทนาที่บังเกิดที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ และประการต่อไปก็คือความเลาร้อนซึ่งเป็นผลมาจากการแผดเผาของทุกขเวทนาต่างๆปรากฏได้ทั้งแก่กายและแก่จิตใจเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาพระเจ้าสอนเรื่องเวทนานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานก็สอนให้รู้เวทนาที่ปรากฏขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยสุขบ้างทุกบ้างกลางๆบ้าง บางครั้งก็ปรากฏแก่จิตเป็นรูปของโสมนัสคือความสุขใจบางครั้งปรากฏแก่จิตในรูปของความของโทมนัสคือความทุกข์ใจเป็นตน้นแต่ก็ให้มองดูถึงความจริงแห่งชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตก็คือกองทุกกองหนึ่งซึ่งมีลักษณะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นรักษาสภาพเดิมว้ไม่ได้มีอาการเบียดเบียน และมีความาร่าเริงปรากฏขึ้นทุกขณะในแง่ของความจริงอย่างแท้จริงความสุขที่บุคคลสัมผัสกันในชีวิตปัจจุบันท่านถือว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ที่ลดลงเท่านั้นเองเมื่อความทุกข์ลดลงมากก็รู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกปันเทาลงไปใจของบุคคลก็ได้สัมผัสความสุขข้อนี้เพือเห็นตัวอย่างง่าย จนเราเดินมากลางแดดที่ร้อนแวะพักใต้ต้นไม้ในระยะแรกจะรู้สึกว่าเย็นเพราะว่าเย็นกว่าอยู่กลางแดดแต่เมื่อนั่งไปสักระยะหนึ่งจะเห็นว่าความไม่สบายปรากฏขึ้นก็ปรารถนาที่จะสแสวงหาความเย็นมากกว่านั้นแล้วก็ไปในสถานที่อื่นซึ่งเย็นกว่าเดิมแต่เมื่อไปอยู่สักระยะหนึ่ง ก็จะรู้สึกไม่สบายในสถานที่เหล่านั้นเองนี่คือความจริงที่บุคคลสามารถกําหนดพินิพิจนารณาได้ว่าใจของบุคคลที่สายไปสแสวงหาความสุขในรูปแบบต่างๆจากการลดของความทุกข์ของความ ร, าร้ารอนนั้นก็ต้องดิน้นต้องรนต้องสแสวงหากันไปเรื่อยๆ เ, เพราะยังไม่สามารถให้ความพอใจความเย็นใจได้ จนกว่าจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุทรงแสดงไว้พระริจาทั้งหลายก็ได้เดินไปทางนั้นและได้บรรลุเช่นเดียวกันการพิจาราวิปัสนาในชั้นนี้อาจจะกำหนดพิจารณาได้หลายในอย่างในยะแรกก็อย่างที่สวดกันสวดการชราธมมหิสรังนาตีโตเป็นต้น นี้ก็คือการพิจารณาในแก้ของวิปัสสนาอย่างอ่อนอเลขชั้นหนึ่งเป็นการสวดโดยการตั้งสติกำหนดพิจารณาตามไปด้วยอย่างที่ท่านสวดเป็นบทบาลีซึ่งแปลเป็นไทยโดยสรุปว่ารูปไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตน รูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นเวทนาเปลี่ยนเป็นสัญญาสังขารวิญญาณโดยลำดับแล้วกลับตั้งต้นใหม่ในชั้นแรกๆอาจจะไม่รู้อะไรมากนักแต่ประการที่สำคัญก็อยู่ที่ว่าเมื่อเริ่มสวดใจก็จะสงบอยู่กับปทสวด ตั้งสติกำหนดพิจารณาตามบทสวดนั้นไปพลังของสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นการพิจารณาในคราวแรกสองคราวสามคราวอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้เพราะปัญญาสมาธิยังอ่อนแต่เมื่อสวดไปบ่อยพิจารณาไปบ่อยปัญญาก็จะเกิดขึ้นเป็นวูบหนึ่งของแสงสว่างจะเกิดขึ้นหลายวูบหลายครั้งหลายคราวภายในจิตใจ เก็บสะสมเอาไว้คล้ายๆกับตัวอย่างที่เคยยกมาเพาเหมือนกับการอ่านหนังสือซึ่งผ่านไปแต่แตละตัวสงตัวอยู่เรื่อยๆแต่นั่นคือการเก็บการสะสมความรู้หนังสือเหล่านั้นเมื่อเก็บสะสมไม่นานข้าวปริมาณของความรู้สูงขึ้นก็ประจักษ์แจ้งหนังสือเหล่านั้นทั้งในรูปอัฏฐะทั้งในรูปพยัญชนะและนํานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ วิธีการที่ท่านสอนไว้ในชั้นต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้ามองแบบเฉยๆคล้ายๆจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นอุปาเยวิธีคือเป็นวิธีที่ฉลาดของบัณดิตทั้งหลายมีประพุทธเจ้าเป็นต้นที่จะสอนให้บุคคลค่อยๆปรับใจรับความจริงเพิ่มพูนสิ่งที่เรียกว่าบารมีคือการเก็บการสะสมความดีเอาไว้ภายในจิต โดยเฉพาะในที่นี้ก็คือตัวสมาธิและปัญญาสำหรับส ง, งบจิตและพิจารณาสังขารตั้งหลายเห็นว่าเป็นทุกข์ดังกล่าวนั้นเมื่อมองเห็นความจริงในส่วนใดส่วนหนึ่งได้ก็จะเชื่อมโยงเข้าหาส่วนอื่นได้เพราะในชั้นความจริงที่แท้จริงนั้นก็เป็นไปอย่างที่พระวิราเรีดังกล่าวไว้ เมื่อมารมาสอบถามมาโลกนี้ใครสร้างสร้างโดยใครสร้างมาเพื่ออะไรเป็นต้นพระเทรีท่านตอบว่าเกิดท่านกล่าวถึงสัตว์ถึงโลกถึงชีวิตนั้นเป็นการกล่าวอีกรูปหนึ่งอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองแท้แต่จริงแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรเป็นแต่เรื่องของความทุกข์ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนี่คือการมองโลกแบบพระอรหันต์ท่านมองพระท่านเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไรความเป็นคนเป็นสัตว์คือการเกาะกลุ่มของมวลธาตุต่างๆของดินของน้ำของลมของฝอยของขันธาตุอายตนะเป็นต้นมาประกอบกันแล้วก็มีการสมมติมีการบัญญัติกันกว่าคนว่าสัตว์ว่าสิ่งของ แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์คือเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยภัษาสภาพเดิมมาไม่ได้มีการเบียดเบียนมีความเร่าร้อนดังที่กลาบไปแล้วการพิจารณาในชั้นต่างๆย่อมอำนวยผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลเท่านั้นซึ่งบางครั้งในชีวิตประจำวันของบุคคลนี้เองดูแล้วคล้ายๆว่าจะไม่ค่อยเข้าใจ จะไม่ค่อยเห็นความจริงในส่วนเหล่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตเรานั้นมีบททดสอบอยู่เป็นอันมากเช่นความพลัดพลาดความสูญเสียความล่มสลายในด้านต่างๆบังเกิดขึ้นับชีวิตถ้าหากว่าพื้นจิตของบุคคลมีวิปัสสนาปัญญาอยู่ในจุดที่พอจะใช้งานได้ เวลาเกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาจิตจะปรับขึ้นมารับความจริงแห่งชีวิตทันทีแทนที่จะเศร้าโศกร้องไห้รำไรรำพันไปด้วยประการต่างๆจิตก็จะมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมองเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนั้นได้เสื่อมสลายไปแล้วตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งเดดนั้นดังนั้นบทที่ พระท่นานใช้พินิษพิจารณาศพเวลาตายในแง่ของคนทั่วไปมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเป็นภาษาที่น่ากลัวไม่กล้าเอามาพูดเอามาคิดเวลายามปกติต้องพูดเฉพาะเวลาตายเท่านั้นแท้ต่จริงแล้วนั่นคือวิปัสสนาเป็นการสอนให้บุคคลมองโลกมองชีวิตในแง่ของความจริงวานิจาวัตสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปดับยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวาในรุจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ใดมาแล้วแต่สังวูปส ม, มุสุโคการที่ทําจิตให้เข้าไปสมมงบระงับในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นบรมสุขหรือเป็นความสุข ทำจิตให้สงบระงับอย่างไรคือ ส, สงบระงับจากความยึดความติดในานามในรูปเหล่านั้นตามปกติแล้วความยึดติดในานามรูปก็จะออกมาในลักษณะสามประการโดยทั่วไปที่ท่นานใช้คำว่าเอตังมะมะคือของเราของเร า, อ า, ารอาการฝ่ายขวาของจิต ปรารถนาในรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐัพพะธรรมโรมอนาคร่ายน่าราธนาน่าพอใจว่าเป็นของเราของเราการไขว้คว้าของจิตในลักษณะนี้ไม่เคยเต็มตามปราปรถนาแห่งใจเลยและบุคคลก็ตายไปทิ้งสิ่งที่เคยยึดเคยถือว่าของเราเอาไว้ในโลกแล้วก็เกิดมาใหม่ก็คว้ากันอีกแล้วก็ตายอี ก, กเกิดมาคว้ากันอีกเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือความจริงอย่างแท้จริงในชั้นหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นในด้านต่างๆที่ท่นานใช้คำว่ามานะกะหะคือยึดถือด้วยอํานาจของมานะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นความเป็นนั้นคือความจริงขั้นสมมตุติแต่ว่าโดยภาวะที่แท้จริงแล้วเพียงขันเพียงาธาตุเพียงอายตนะเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าในชั้นของการปฏิบัติธรรมาศาสนาจะ ต, ต้องยอมรับความจริงทั้งสองชั้นคือทั้งชั้นสมมติและชั้นปรมาท ไม่ใช่เข้าถึงปรมัตสจนละทิ้งสมมติอย่างนี้ไม่ใช่วิธีของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจา้านั้นแม้เข้าถึงโลกุตรจิตโลกุตรกุศลแต่พระองค์ก็ใช้การมาวาจรจิตคือพูดภาษาโลกอยู่ด้วยโวหารของโลกแต่ไม่ยึดไม่ติดในรูปแบบเหล่านั้นนี่คือหลักการสำคัญที่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติปิปัสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นในชั้นของความเป็นซึ่งเป็นสมมติบัญญัติพระเจ้าก็สอนให้เป็นในชั้นสมมติบัญญัติคือเป็นให้เป็นเป็นให้ดีเป็นให้ชอบแต่ว่นในชั้นของความจริงที่แท้จริงก็คือความจริงที่แท้จริงใจจะต้องเข้าถึงความจริงเหล่านั้นว่านั่นคือการสมมติการบัญญัติการกำหนดหมายกันเท่านั้นเวลาถึงคราวเป็นในชั้นสมมติก็เป็นได้เป็นเป็นเป็นดี แต่เมื่อเลิกสมมุติก็เลิกได้จริงๆจิตใจของบุคคลจะตั้งหลักได้ที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็คือว่าเมื่อเลิกเป็นแล้วยังอยากเป็นอยู่นี่คือความ ร, าร่ารนความเป็นทุกข์โทมนัตก็จะติดตามมาท่านก็สอนให้สงบใจจากความเป็นด้วยอำนาจมานาลดนั้นและความยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิกาหะ คือยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรกันมากมายจนในปัจจุบันนี้จะพบว่าออกมาในรูปของมีสวรรค์วิมานสำหรับพระพุทธเจ้าอยู่มีการไปฟ้าพระพุทธเจ้ากันมากมายบางคนไปกันตั้งสี่ห้าเที่ยวแล้วก็ยังกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์กันอีกซึ่งจะเห็นได้ว่าในหลักของพระพุทธศาสนานั้น พระเจ้าทรงแสดงฐานะของพระองค์ไว้โดยเปิดเผยเลยตอนที่ตั้งแต่แสดงปฐมเทศนาแล้วว่าก็แลเมื่อยานบังเกิดขึ้นแกเราจากนี้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไรก็ตามไม่ได้มีอีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงไม่มีการเกิดอีกต่อไปและไม่มีพบสำหรับพระพุทธเจ้าอีกต่อไป เพาถ้าหากว่ามีพบมีการเกิดมันก็เป็นสังขารสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาข้าวหลักของวัตถะอยู่ในแวดวงของใจรักเรียบร้อยไปแต่พระนิพพานนั้นเป็นวิสังขารไม่มีการเกิดไม่มีการเสือ่อมไม่มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วเรื่องของวิปัสสนาปัญญาจึงต้องอาศัยความ แหลมคมของปัญญาที่ได้หนุนมาจากศีลสมาธิเป็นหลักเมื่อพิจารณาไปในจุดใดจุดหนึ่งถ้าเห็นจริงได้ในจุดนั้นแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหาความจริงในส่วนอื่นๆได้อย่างบทสวดที่กล่าบมาในตอนต้นซึ่งท่านเริ่มมาจากอนิจจ์ว่ารูปไม่เที่ยงพอเห็นความไม่เที่ยงของรูปแล้วก็โยงไปว่ารูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์ รูปใดเป็นทุกรูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุก์ไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วรูปนั้นก็ไม่ใช่ของเราด้วยอํานาจของตัณหารูปนั้นไม่เป็นเราด้วยอํานาจมรนะรูปนั้นไม่เป็นตัวเป็นตนของเราด้วยอํานาจของทิฏฐิแล้วจะมองเห็นทั้งรูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดเลวะประณีปรใกล้ใกล้ก็ตกอยู่ในสภาพอันเดียวกันว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่า ส, ส, ส, ส, สัญญา ส, สักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนโดยสรุปไว่าข้อ น, นี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราดังนี้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป